สิบเจ็ด1ซดนาสรอบบ้านดมบ้านของเราอยู่ที่นี่ Tu dom. j ยนาส d ด m หลังคาอยู่ข้างบนฮ o r a ไรย์สเตรช่ ช้องใต้ดินอยู่ข้างล่างโดเลเยพิวนิตซมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านซาดอมอมเยซาเฮราดาไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านเพรดดอมอมเนเยเยอุลิตมีต้นไม้อยู่ข้างบ้านเวดเลดอม u lica. s ูสตรอมิ อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ tu ้เย็นวอยบิดห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ tu ้เย็นครัวหินยาอากูห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ตัมเยอบีวาชกาอสปาลย a ประตูบ้านปิด ป o d o ู e dvere s ู z a า r ใ t เปิดแต่หน้าต่างเปิดแต่หน้าต่าน้น้า้าา้าน้านเราก่างงไปที่ห้องนั่งเล่น้าต่ดแต่หน้า มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นเยตัมพหูกะอเครสโลเชิญนั่งค่ะทุสัชิสะคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นตามยมวยโปชิตัดสเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Там ีมวยสเตอร์โอเพรกราวชุดทีวีเป็นของใหม่เทเลวิซอร์เซลกอนี